ปาติเทศนียการว่าด้วยอาบัติปาติเทศนิยคือที่พึงแสดงคืนมีสี่สิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งแห่งปาติเทศนิยห้ามรับของเคี้ยวของฉันจากมือนางพิสุนีมาฉันนางพิสุนีรูปหนึ่งไปเที่ยวบินธบดได้แล้วขากลับเห็นภิกษุรูปหนึ่งจึงบอกถวายอาหารที่ได้มาภิกษุนั้นก็รับจนหมด นางจึงอดอาหารเพราะหมดเวลาที่จะเข้าไปบินธบาตอีกแล้วรุ่งขึ้นนางไปบินธบาตได้พบภิกษุรูปนั้นอีกก็บอกถวายภิกษุรูปนั้นก็รับจนหมดนางจึงอดอาหารอีกในวันที่สามก็เป็นเช่นนี้หลังจากอดอาหารมาสามวันต่อมาต้องหลีกรถเศรษฐีนางถึงกับหมดแรงล้มลงเศรษฐีขอขามา ทราบความก็ติเตียนภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุเข้าไปสู่ละแวกบ้านรับของเคี้ยวของฉันจากมือของภิกษุณีมาเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาฏิเทสนิยะสิกขาบทที่สองแห่งปาฏิเทสนียะให้ไล่นางภิกษุณีที่มายุ่งให้เขาถวายอาหาร ภิกษุทั้งหลายได้รับนิมนต์ให้ไปฉันในสกุลนางภิกษุณีพวกหกซึ่งชอบพอกับภิกษุพวกหกได้ยืนอยู่ด้วยบอกกับเขาว่าจงถวายแกงในองค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ภิกษุพวกหกฉันได้ตามต้องการแต่ภิกษุอื่นๆฉันยังไม่สะดวกใจพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทั้งหลาย ได้รับนิมนต์ให้ไปฉันในสกุลถ้านางภิกษุณีผู้คุ้นเคยมายืนอยู่ในที่นั้นบอกกับเขาว่าจงถวายแกงในองค์นี้จงถวายข้าวในองค์นี้ภิกษุทั้งหลายพึงไล่นางภิกษุณีนั้นไปจนกว่าภิกษุทั้งหลายจะฉันเสร็จถ้าภิกษุแม้รูปหนึ่งไม่ได้ไล่นางภิกษุณีนั้นต้องอาบัติปฏิเทสนิยะ สิกขาบทที่สามแห่งปาดิเทสนียะห้ามรับอาหารในสกุลที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะคําว่าเสขะคือพระอริยะบุคคลนะครับในสมัยนั้นสกุลบางสกุลเริ่มใส่ทั้งฝ่ายสามีและภริยาเป็นสกุลเจริญด้วยศรัทธาแต่เสื่อมทรัพย์หรือมีทรัพย์น้อยเป็นสกุลพระอริยะบุคคล บุคคลเหล่านี้ยอมสละของเคี้ยวของกินที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ภิกษุทั้งหลายบางครั้งตัวเองถืออดหรือยอมอดคนทั้งหลายพากาันตดเตียนพวกภิกษุว่ารับไม่รู้จักประมาณพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงอนุ ญ, ญาตให้สงสวดประกาศสมมุติสกุลนั้นว่าเป็นสกุลของพระเสขะแล้วทรงบัญญัติห้ามเข้าไปรับของเคี้ยวของฉัน ในสกุลที่ทรงสมมุติว่าเป็นเสขาด้วยมือของตนมาเคี้ยวและฉันทรงปรับอาบัติปาติเทสนิยะแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดภายหลังทรงอนุญาตว่าถ้าเขานิมนต์ไว้ก่อนหรือเป็นไข้เข้าไปรับอาหารมาฉันได้สิกขาบทที่สี่แห่งปาติเทสนิยะห้ามรับอาหาร ที่เขาไม่ได้จัดไว้ก่อนเมื่ออยู่ป่าเจ้าสักยะที่เป็นหญิงนำอาหารไปเพื่อรับประทานในเสนาสนะป่าถูกพวกท่าชิงของและข่มขืนเจ้าสักยะที่เป็นชายออกจับพวกนั้นได้ติเตียนภิกษุทั้งหลายว่าไม่บอกเรื่องโจรอาศัยอยู่ในวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่า ภิกษุอยู่ในเสนาสนะป่าเปลี่ยวน่ากลัวรับของเคี้ยวของฉันซึ่งเขาไม่ได้จัดไว้ก่อนด้วยมือของตนภายในอารามมาฉันต้องอาบัติปาฏิเทสนิยะภายหลังทรงผ่อนผันให้แกภิกษุไข้